สวัสดีครับครับสวัสดีเบอร์นี้เป็นเบอร์ของภัสสันะครับครับใช่ครับผมเาใฟังเลยอ่าครับน้องชายผมนะอืมอายุอายุชัดระหว่างน่าจะที่หนีเนาะครับเป็นโรคโคตอ่อนินี่นองอหมดเลยอืมครับเป็นมานานแล้วเนี่ยถึงนี่หญิกนี่งองอ่าเป็นมาหนึ่งสองสามเป็นมาถึงสีับสองสามก็พบได้อืมนัครับ ใชเริ่มเย็เริ่มงอผู้สูงอายุนักเลยผู้สาหนัครับทำ อ, อะไรจับอะไรไปหยุอะไรมันไม่ได้มันไม่ควรจะได้แล้วครั บ, รบอืมครับะไปห า, หาหมอก็มันก็คือปวดก็ไปแค่นั้นแหละครับอโรงพยาบาลมันก็อืมอถ้าปวดก็ไปอืมกินก็หะเอายามาหกินก็มทิดก็เอาใหม่อ่ครับ มันจะเป็นอย่างนหมรักษากดครับไอตัวนี้นะครับคือลูมาตอยมันเกิดจากเม็ดเลือดขาวทํางานไม่ปกติทีนี้ปัญหาที่หมอรักษาไม่ได้ก็เพราะหมอฆ่าเม็ดเลือดขาวทิ้งไม่ได้เพราะว่าเม็ดเลือดขาวมันต้องปกป้องเราไม่ให้เน่าให้เหม่นไม่ให้ตายเพางั้นเถอะเอเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันสําคัญต่อร่างกายเดี๋ังนั้นเม็ดเลหมอถึงฆ่าหรือว่าทําลายเม็ดเลือดขาวไม่ได้พอทําลายไม่ได้ ไอ้โรคนี้มันมาจากเม็ดเลือดขาวตาบใดที่เรายังมีเม็ดเลือดขาวมันก็ยังมีโรคนี้อยู่นะครับโรคนี้มันออกจากเอาออกจากเม็ดเลือดขาวไม่ได้ทีนี้ปัญหาของการ อ, อรักษาของหมอท่านก็คือหมอแก้ไขอะไรไม่ได้กับเม็ดเลือดขาวแต่นี้ผมมีผลิตภัณฑ์ของอเมริกาที่เขาพิสูจน์วิจัยมาแล้วมันสามารถที่จะทําให้เม็ดเลือดขาวนั้นไม่ดือ้อทํางานเป็นปกตินะไม่ไม่ก่อขวน อ่าก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่โรคมันก็จะไม่เกิดขึ้นอ่าโรคมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าหายไหมอันเนี้ยตอบได้เลยว่าไม่หายคำคำว่าไม่หายก็เพราะมันมาจากเลือดตราบไรตราบใดที่เรายังไม่ตายเนี่ยเลือดมันก็ยังเกิดเกิดโรคนี้มันก็ยังอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักอยู่กับมันก็คืออันเนี้ยมันก็เหมือนอาหารมันก็เหมือนเราเรากินข้าวกินปลานี่แหละ คือกินแล้วมันทําให้เราอิ่มมีกําลังเอยู่ดีสบายเนี่ยเหมือนการผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยเรากินทุกวันคุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานกับรูปตะไอยนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันหิดมันงอไปเน่ยแก้ไขไม่ได้ก็ต้องมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาการที่มันจะเกิดลุกรามขึ้นไปอีกอะมันจะไม่มีอ่าเบกคือคือคือเด็กไว้ใช่ใช่เด็กไม่เลือกขาวไว้ให้มันหยุดแค่นั้น อืมไม่ให้มันไปทําหน้าที่อย่างอื่นตอนนี้มันทําหน้าที่ทําลายข้อต่อของร่างกายอยู่ครับครับครับนนเข้าใจเนอะอืมเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของอเมริกานะที น, นี้ว่าอยู่ที่อำเภอตำบลอำเภอจังหวัดที่ไหนเออผมอยู่บนครับแต่ว่าการใช้ผลิตภณัณฑ์เนี้ยไม่ต้องไม่ต้องมาตรวจไม่ต้องอะไรละครับเพราะว่ามันไม่ใช่ยาอืมเอาไปสั่งเออผมอยู่วารินชมัมราครับเดียดูดมนี่แหละ แต่ผมก็ส่งทั่วประเทศนะอืถ้าคือถ้ามาเราคงจะเสียเวลานะ่ะมันก็สุรินมันกับอุบลก็ไม่ใช่ใกล้ๆมนันเนี้ยเนาะกลัวจะเสียเวลานะ่ะครับก็ซื้อไปกินนะครับซื้อไปกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงอืมก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงขวดถ้าซื้อทีละขวดก็อ่าพันแปด้อยเก้าสิบแปดบาทรวมค่าส่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทอ่าทานได้หนึ่งเดือนอ่าทานได้หนึ่งเดือนพันแปด้ยเก้าสิบแปดบาทนได้หนึ่งเดือน กมหกสิบครับวันละสองก็ได้ได้เดือนหนึ่งพอดีพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทครับพันแปดอยเก้าสิบแปดบาทหนึ่งแปดเก้าแปดครับากสองันง่าย่าถ้าเกิดว่าเป็นชุดก็สี่ขวดห้าพันแปดร้อยห้าสิบาทอันนี้ตกขวดละพันสี่ร้อยกว่าบาทอันนี้พูดถึงว่าซื้อเป็นชุดไปไปใช้นะเพราะว่าเป็นชุดถูกกว่าง่ายมันถูกกว่าอยู่แล้วแต่ว่า บางคนก็บอกว่าขอทดลองก่อนหรืออะไร ก, ก็แล้วแต่หรือว่าจะซื้อไปทั้งชุดเลยก็แล้วแต่ก็แนะนำให้เท่าไหร่ครับชุดมีกี่ขวดมีกี่แคตคก็ขวดไอ้หกสิบเมตรสี่ขวดนั่นแหละครับอืมก็พันห้าพันกว่าบาทอ่าหแปดห้าสิบาทตกขวดละพันสี่ร้อยกว่าบาททานได้สี่เดือนอ่าแต่ถ้าสองขวดอ่สองขวดก็พันแปดร้อยพันแปดร้อยเก้าสิบแปดูณสองนะครับ <c oughs> คื 2> 26, 3, 000, อ2 6สามพันบาทอ่าครับแล้วยวนะถ้าสองถ้าสองขวดบวกให้เลยก็ได้อ่าสามพันเ็ดร้ยเก้าสิบแปดบาทสามพันเจ็ดก็ถ้ามันมีทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับสะดวกเก็บเงินปลายทางก็รอจ่ายที่บ้านก็ได้หรือหรือว่าจะโอนเงินแล้วก็รอรับของที่บ้านสะดวกแบบไหนครับเดี๋ยวก่อนนะครับครับครับในบางที่บางอะไรแบบ อออย่างาเช่นของใครให้ว่าเป็นของคุณก็ั่วไปครับครับครับบางทีต้องโอนเงินไปก่อนอือครับพอโอนเงินไปก่อนแล้วไม่ได้หน้าเรืองของอ่าอ่าครับครับครับพอะดีพอดีไอสมมติเราอยากพูดเรื่องยาครับยามาก่อนอือคนไอคนไอคนที่จะซื้อเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่โอนเงินเงนไปให้ครับแต่อนี้ อันนี้สามารถที่จะโอนคืออันนี้แลกแลกหมูแลกแมวเลยอันนี้อันนี้สามารถที่จะโอนมาให้ก่อนสมมุติว่าของขวดเนี่ยมันสามพันกว่าบาทอ่าใช่ก็ก็รอจ่ายอ่รอจ่ายกับคนที่เอาของไปส่งอ่ะอ๋ออืมจ่ายเงินกับคนนั้นอ่ะอ่าจ่ายเสร็จเขาก็ส่งของให้เราข้อจบแล้วทีนี้ก็คือว่าอืมอ่หลักฐานที่ต้องต้องมันก็ต้องมีหลักฐานของข้างนะ่ไมอืไมไม่มีอะไรนะฮะคือเดี๋ยวพอของไปเดี๋ยวก็จะแตะมาเพียงแต่ ว, ว่า จะเอาเขาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ผู้รับให้กับผมผู้ที่จะจ่ายเงินน่ะให้กับผมแล้วผมก็จะส่งให้เจ้าหน้าที่เขาไปไปหาเสร็จแล้วเออลูกค้าก็เอาเงินจ่ายให้กับคนที่ถือของไปนะ่ะครับผมมีเจ้าหน้าที่ถึงบ้านครับถึงบ้านครับอืมมีเจ้าหน้าที่ส่งถึงบ้านครั บ, รบมันสะดวกเดี๋ยวผมคือผมจะช่วยนะครับอืม อะครับส่งที่สุรินทได้เลยผมผมจะช่วยอ่าเดีว ผ, มผมแต่ว่าถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นคุณพี่ก็อ่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าพี่คุณพี่จะเป็นคนจะซื้อเนี่ยอ่าถ้าเกิดเอาไปส่งเขาเลยเนี่ยพี่ก็ต้องจ่ายพี่ก็ต้องโอนเงินก่อนเนี่ะมันมีตรงนี้ด้วยครับไอพี่น้องมันมีหลายคนอืมปวดก็คือว่าพุชอาน้องชายผมอายุประมาณหลักสิบเลยครับครับแล้วทีนี้มันมีพี่น้องอีกที่อยู่บ้าน นอกกํานาอะไรกะไม้กํานายงี้เลยครับครับผมนี่มาอยู่เพสามคนสคนครับครับผมจะหุ้มกันอืมอืเออช่วยกันแู่ดสาันคนละพันไหมอะไรเงี้ยอาออเข้าสู่ัน์ครับครับครับซึ่งมันไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ผมผมฟังว่าอืมาพิรใช่เข้าใจฮะไม่ตั้งอ่อืมอืมมตั้งเียวก็กถึงว่าผมเป็นแค่รปภเป็นงานธรรมดาเนาะอืมอืมครับผมจว่าจะร์พูดกันแล้วผมต้องอืมานี ไอ้น้องปกรเือนบครับอืมอน้องน้องเ็บกินออกมาคนละอืมอืมครับปกติปกติเป็นรพภนี่ใช้ใช้ใช้เล่นลายเล่นเซสกับเขาป่ะเออใช่ครับียเบรนี่มีลายใช่ไหมอถ้าคือ คือถ้าเกิดว่าเอาไปใช้กับน้องชายเสร็จน่ะน้องชายมีผลตอบรับยังไงอ่ะจะขายผมแนะนําให้ขายได้ใช้ใช้มือถือของของพี่นี่แหละขายเลยเล่นยงเล่นยามไปก็เนี่ยเหมือนยังคุยมากับผมเนี่ยก็ถือถว่าคุยกับลูกค้าอย่างเนี้ยครับผมอืมแล้วเสร็จแล้วบริษจริงๆแล้วบริษัทส่งให้นะหมายว่าเราแค่โทรศัพท์แล้วก็บอกที่อยู่ที่จะส่งอืม ค, ครับ ที่ผมที่ผ่านมานะหรือในปฏิบัติอายุผมก็แค่หกแล้วผมใช้เคื่อต่างๆที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยรับมันมันมีแต่ที่ที่ผ่านผ่านมาไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องยาอะไรต่างๆอืส่วนมากมันจะมีแต่หลอกๆกันนิดๆประมาณนี้หลอกกันอ่าครมีมีมีครับผมต้องการคนที่วาใจวัดใจตัวเลยครับอ่าครับครับครับผมทํามาเก้าปีแล้วบริษัทนี้ครับบริษัทใช่ไหมครับเป็นบริษัทของอเมริกาครับสินค้าของอเมริกา แล้วถ้าเกิดมันต่อรองอะไรกันถึงไม่หน่อยจได้ไหมอ๋ออันนี้ราคาสมาชิกเลยครับเพียงแต่ว่าใครเป็นสมาชิกก็จะมีคะแนนให้อย่างเช่นี่อย่างเช่ที่ว่าสมมติแบบผมเอาเนี่ยส่งไปที่ตูดนะพาดูดกันนั้นนะอือครับเออแล้วก็มีมีมีพนักงานส่งไปครับเอ่ากไปท้องไปนอซอ่าครับถ้าราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างนี้ใช่ใช่จ่ายกับจ่ายกับพนักงานพนักงานเขาเลยเออ โทรไม่ได้เนาะ ม, นมันมันนี่ราคาขวดหนึ่งในข้างขวดเนี่ยไปดูที่บ้านได้เลยถ้าเกิดว่าของส่งไปในขวดหนึ่งสองพันหนึ่ง้แดสิบาทอ่าอันนี้ราคาสมาชิกแล้วก็ขายแค่พันแปดร้อยห้าสิบแปดบาท มาแล้วอเกเจ้าหน้าทเขาไปส่งเนี่ยมาแล้วอ่าตั้งคนที่รอรับยาเนี่ยต้องตายของานั่นนะน่าจะต่อรองได้อะไรอ๋อไม่ไม่ใช่เขามีหน้าที่ถือของเป็นอย่างเดียวอ๋อมันมั น, ม, น, ม, นมันคือคือบอกราคาแล้วมันตายตัวใช่ใช่ตกลงแล้วก็ตายตัวไปเลยประมาณเเว่นเนาะอ่าใช่เขาเขาติดาติดแล้วยังไงก็ตายตามนั้นแหละอ่ะาถามดูน ะ, ะคือโอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะ ผมจะลองศึกษาหากันก่อนครับครับได้ได้เออเองอกินออกแ่ถามยาแล้วเนี่ยออกมา500ได้ไหมครับเออเออถือว่าปวดทุกน้องบ้างออครับผมเออใช่ๆเอวันวันหน้านไม่ได้มันคิดันไม่ได้วันหน้าวันหลังถ้ากินดีก็เอาไปขายเองเลยกินคอมมิชชั่นเองเลยบริษัทจ่ายให้เอออ่าลองหาอะไรจะได้มีรายได้เสริมเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมทาแนะนาให้ทาเป็นอาชีพได้อืม ครับอ่ะยังไงก็ต้องคุยกันยังไงผมจะศึกษาหารืองน้องก่อนครับครับครับได้ครับคืองานนี้มันต้องช่วยกันอ่าอ่าอ่าครับครับใครมีมากใจมากครับขออนุญาตขออนุญาตเริ่มชื่อเลยนะครับผมครับผมได้ครับชื่อชื่อมังคาเนาะครับครับครับได้ครับครับครับผมสวัสดีครับ